ทำกันตามสบายไมานั่งพลมือฮะอาตมาก็มาที่วัดผุ้ขอทองเป็นปีที่สี่แล้วเมื่อปีที่แล้วอาจารย์โต๊ะก็นิบนมาเจอฝนถล่มวันแรกไม่ได้เทศไปเทศวันที่สองวันนี้ฝนไม่ถลม่มแต่ก็อากาศร้อนมากดินฟ้าอากาศไม่ได้อยู่ใต้อำนาจการควบคุมของเราคือไม่ได้เป็นแรงใจเราบางครั้งหนาวเกินเหตุอุณหภูมิ9หรือสิองศาเนี่ยหนาวมากเมื่อเดือนก่อนนะ พอตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วอู่เลยอุณหภูมิขึ้นถึง40องศาสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับฝวเป็นจริงของธรรมชาติช่วงนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมของวัดผู้ขอทองระหว่างวันที่9ถึง15อาตมาเนี่ยเดินเข้ามาในวัดผู้ขอทองเนี่เห็นต้นนิโคดเนี่ยเราก็มีความสุขละมีป้ายเขียนไว้อาตมาคือนิโคดใหญ่ใบดกกิ่งก้านปกเบื้องบนคนอาศัย เชิญพักผ่อนหายร้อนแล้วจึงไปจะสุข ก, กายสุกใจรู้ซึ้งถึงพระธรรมถ้าผ่านมาก็เป็นการเชื้อเชิญวันนี้อรรมาก็ตั้งใจจะพูดเรื่องบุญจากการฟังธรรมให้โยมฟังกันเพราะถ้าพวกโยมเนี่ยไม่ตั้งใจฟังอรรมาพูดก็ไม่ได้บุญแต่ถ้าตั้งใจฟังเนี่ยได้บุญด้วยแล้วก็จะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินไม่ได้ฟังมาก่อนบุญเมีที่สงห้าอย่างบุญจากการฟังธรรมนะอันที่สข้อที่หนึ่งก็คือทําให้เราเนี่ย สามารถได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ไมเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนข้อที่สองถ้าได้ยินได้ฟังแล้วจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจแจ่มชัดยิ่งขึ้นข้อที่สามทำให้เราหายสงสยัยข้อที่สี่ทำให้เรามีความเห็นถูกต้องข้อที่ห้าทำให้จิตผ่องใสจะได้รับอนุสวงทันทีเลยแต่ถ้าโยมฟังไปคุยไปโยมก็ไม่เกิดประโยชน์บางทีอาจจะกวนกวนคนอื่นด้วยคนที่ตั้งใจฟังอาจจะได้บาปแทนก็ได้ ผมเมาตั้งใจพูดบูญจาการฟังธรรมอย่างข้อแรกเนี่ยทีโยงก็จะได้ยินเรื่องของครูบาอาจารย์ต่างๆอรมมาจะเล่าเรื่องของหลวงพุขาวว่าแล้วกันเพราะมีเด็กอยู่ด้วยเล่าเรื่องหลวงพุขาวก่อนดีกว่าหลวงพุขาวท่านอยู่วัดถ้ำกองเพลนเช้าวันหนึ่งก็มีมีแม่เนี่ยพาหนูน้อยอายุสามขวบมาทําบุญแล้วเนี่ยหน้าหลวงปู่เนียก็มีมีหมากเงาะขาวน่ากินหนูน้อย ที่มาทำบุญเห็นเขาเกิดความสนใจเขามาม อ, งมองชําเลืองดูหลวงปู่ก็ถามว่าอยากกินไหมหนูน้อยก็บอกอยากกินหลวงปู่ขาวก็บอกต่าอยนี้นต้องแลกกันหนูน้อยถามต้องทำไงหลวงปู่ขาวก็บอกให้จะต้องภาวนาภานาเสร็จแล้วจะให้กินหมากเงาะหมากเงาะคือลูกเงาะแหละแล้วหลวงปู่ขาวก็สอนให้หนูน้อยเนี่ยนั่งสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็ขัดสมาดเอามือให้ตรง แล้วก็ให้ภาวนาหมางเงาะหมาเงาะไปเรื่อยๆหนูน้อยด้วยความอยากกินหม่างเงาะก็เลยทําตามผลปรากฏว่าจิตของหนูน้อยเนี่ยรวบเปสมาธิมารู้สึกตัวอีกทีก็ น, น, นู่นน่ะบ่ายสามโมงเสียงะระกทางดังขึ้นแบบเชิญให้พาเนี่ยมาร่วมการทํากิจวัตรสงฆ์ของวัดหนูน้อยลืมตาขึ้นมาก็เห็นหลวงปู่ขาวนั่งสมาธิเป็นเพื่อนด้วยข้อนี้ก็เห็นว่าเด็กก็สามารถปฏิบัติทําได้โดยไม่รู้ว่าคือการปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นอุบายของหลวงปู่ขาวด้วย โดยเอากอิเลสมาล่อคือเอาหมางเงาะถ้าคนมีอุปนิสัยการไปเดบิวท์ธรมก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าคนไม่มีอุปนิสัยเนี่ยการไปเดบิวท์ธรก็ยากต้องใช้ความพยายามมากเลยหลวงปู่ดูวัสกแกจังหวัดยุธยาก็ใช้อุบายสอนโยมคือมีอยู่วันหนึ่งมีลูกศิษย์เดียพาเพื่อนที่เป็นขี้เมามากราบแล้วคุยคุยกับหลวงปู่คุยไปคุยมาเนี่ยเพื่อนจะขยันยยให้รับศีลแต่ว่าชายขี้เมาคนนี้เลิกเล่าไม่ได้ก็เลย เลยไม่รับหลวงปู่ดูก็บอกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันเองนั่งสมาธิข้าวันละหทีทําได้ไหมชายขี้เมามีดความรู้สึกว่านั่งสมาธิวันละห้าทีจะทำง่ายทำง่ายกว่าเลิกเหล้าหรือรับศีลกลยตกลงหลวงปู่ไปคนสมัยก่อนเน่ยเขามีสัจจะนะพอถึงเวลาเนี่ยชายขี้เมาก็จะมานั่งสมาธิขังละหทีทุกวันเลยช่วนั้นจะไม่กินเหล้าทําไมทุกวันทุกวั น, วนจิตก็เริ่มมีกําลัง อยู่มวันหนึ่งจีก็รวมเป็นสมาธิเกิดปิติซาบซ่นเย็นโลกเย็นใจมาตอนหลังเนี่ยชาวคนนี้ถือเวลาแทนที่จะนั่งสมาธิห้าทีก็กลายเป็นนั่งทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วตอนหลังก็เลิกเล่าได้เองโดยที่หลวงปู่ไม่ได้ขอให้เลิกเล่าไม่ได้บอ่อยรับศินด้วยอันนี้เป็นบับยสอนธรรมพอเห็นประโยชน์จากการนั่งสมาธิเห็นควาสุขจากการนั่งสมาธิเนี่ยตอนหลังชาวนนี้ก็มาบวชแล้วก็มาปฏิบัติธรรมอย่าพูดว่า พอออกไม่ออกเนี่ยก็ถือว่าโชคดีได้มาปฏิบัติธรรมรักษาศีลแล้วก็ทำบุญอื่นๆ อ, อ, อ, อีกหลายตัวเลยนะมาวัดเนี่ยถ้าถ้าโยมทำบุญเป็นเนี่ยจะทำบุญครบสิบสิ บ, ส, บสิบอย่างเลยก็ได้บุญกิาวัตถุสิบเนี่ยมันมีตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลภาวนาประพฤติอ่อนออน้อมถ่อมตนช่วยเหลือขนวายแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญฟังธรรม แสดงทำทำําความเห็นให้ถูกต้องโยมสามารถทําได้มากมายเลยบุญสิบสิบข้อเนี้ยทำได้ทุกข้อเลยแต่ถ้าโยมทําไม่เป็นก็อาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ส่วนมากธรรมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำได้ครบสิบข้อตอนนี้ธรรมาก็ตั้งใจผู้เยอข้อเดียวแหละข้อบูญจา ก, การฟังธรรมถ้ามาบุญข้อที่สองบางครั้งเราได้ยินได้ฟังแล้วเราเข้าใจแจ่มชัดยิ่งขึ้น เมื่อก่อนอนาณาบาลเทศมาพูดที่นี่อาณามาจะพูดเรื่องหลวงปู่ดิโนทุกครั้งเลยมาครั้งนี้ตั้งใจว่าจะไม่พูดแต่เห็นเด็กอยู่และจําเป็นต้องถอนความคิดนั้นวันนี้จะพูดเรื่องหลวงปู่ดิโนอีกครั้งหนึ่งก็มีพระบางคนก็ไม่เคยฟังอาณมาพูดพ่อพ่อ อ, อ ก, อออกไม่ออกบางคนก็ไม่เคยฟังถึงฟังแล้วก็ฟังอีกครั้งก็แล้วกันนะฟังใหม่จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นเหมือนเรากินข้าวแล้วกินทุกวันทําอะไรบ่อยๆหลวงปู่ดิโนอยู่วัดปชิมาวา่าจังหวัดอุดร เป็นเจ้าคุณท่านเปนเรียเกจิอาจารย์ชื่อดังท่านมองโลกในแง่ดีชีวิตของท่านน่ยไม่ค่อยมีความทุกข์เลยมีแต่ความสุขท่านชอบอุทานเสมอเสมอว่าดีเนาะเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ดีเนาะจุติดปที่สยัยอยู่มาวันหนึ่งลูกศิษย์นิมนต์ท่านไปฉันเพนแล้วก็แซงทางที่บ้านบ้านลูกศิษย์ก็อยู่ไกลพมควรที่ไอรถที่จะบรรับเ่ยก็เสียต้องจอดซ่อมอยู่เรื่อยกว่าจะมาถึงวัดได้ก็เร็วสายเลย หลวงปู่ท่านก็ตอนแรกก็ตั้งใจจะไปฉันที่บ้านงานเห็นลูกศิษย์ไม่มาทีก็นำอาหารที่ตัวเองพิถบาติเนี่ยมาฉันฉันไม่ได้พียกี่คําลูกศิษย์มาถึงหลวงปู่ก็บอกอย่างนี้ไปฉันที่บ้านงานก็ดีเนาะก็คือนรถไปรถวิ่งมาได้สักพักหนึ่งรถก็เสียคนขับต้องลงไปซ่อมหลวงปู่ก็บอกก็ดีเนาะได้ชมอยู่ข้างทางลูกศิษย์ซ่อมรถทอรไหต่างๆก็ยังไม่ติดจึงให้หลวงปู่เนี่ยไปไปเห็น ตอนนี้หลวงปู่ก็อายุมากแล้วหลวงปู่ก็ไปช่วยเข็นแล้วก็บอกก็ดีเนาะจะได้ออกกำลังกายก็เข็นจะรถติดอะดรถก็วิ่งมาถึงบ้านงานก็เลยเวลาฉันเพลนคือประมาณเที่ยงกว่าไปถึงเขาก็นิมนต์หลวงปู่เนี่ยขึ้นทํามาแสดงธรรมเลยหลวงปู่บอกก็ดีเนาะมาถึงได้ทําหน้าที่เลยขณะที่กำลังแสดงธรรมอยู่ลูกศิษย์ก็ไปชงกาแฟมาถวายด้วยความรีบร้อนกลายเป็นหยิบเกลือใส่แทนน้ำตาลเอาไมาให้หลวงปู่ฉัน หลวงปู่ฉันได้คำหนึ่งก็บอกก็ดีเนาะฉันกาแฟหวานๆมามากแล้วลองเปลี่ยนเป็นฉันกาแฟเค็มๆบ้างฉันแล้วก็เหลือบังครึ่งแก้วก็แก้ววางไว้ลุกสิทธิ์เห็นว่าการทานของเหลือจากครูบาจารย์เนี่ยเป็นมงคลจึงมากลับหลวงปู่แล้วมาขอทานกาแฟที่เหลือถานไปได้คํานึงก็พ่นพูดมาเลยบอกหลวงปู่ฉันไม่ได้ไงเนี่ยเคมิตบีหลวงปู่ก็หัวเราะยิ้มๆแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ คนเขาลือกันมากก็คือเรื่องที่โจรมาปล้นท่านเพราะหลวงปู่ลีนะเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังและเป็นพระระดับเจ้าคุณโจรมันก็มองว่ามีทรัพย์สมบัติมากจึงมาปล้นมาถึงก็คมคูเลยหลวงปู่มีของมีค่าอะไรส่งมาให้หมดไม่งั้นตายหลวงปู่ก็ไม่ได้ตกใจนะก็ยิ้มยิมให้โจรแล้วบอกก็ดีเนาะเองขนของพวกเหล่านี้ไปก็ดีค่าเบื่อเฝ้าสมบัติอบบาลได้เต็มทีแล้วโจรบอก ฉันน่ยไม่ได้มาพ่นอย่างเดียวจะฆ่าด้วยเพื่อปิดปากเจ้าทรัพย์หลวงปู่บอกก็ดีเนาะเองฆ่าฆ่าตายเนี่ยฆ่าจะได้ไม่ต้องมาดูแลร่างกายสังขารที่แก่ชราเสื่อมลงทุกวันโจมันก็ฟังแล้วเกิดใจอ่อนอ่ะก็เลยบอกอย่างนี้ฉันไม่ฆ่าก็ได้หลวงปู่บอกไม่ฆ่าก็ดีเนาะโจมันก็ชักเออหลวงปู่ฆ่าก็ดีไม่ฆ่าดีเจ้าอะไรกันแน่หลวงปู่ก็บอกว่าถ้าเองฆ่าฆ่าเนี่ย เองก็ต้องติดคุกถ้าตํารวจจับถ้าเองต่อสู้อาจจะโดนวิสาบันคดกรรมตายไปแล้วต้องไปตกนรกโหม่ไม่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นเองไม่ฆ่าฆ่าจริงดีเนาะโจรได้ฟังลงนั้นเนี่ยเกิดสํานึกผิดเห็นบาปบุญคุณโทษขึ้นมาวันนั้นก็เลยไม่โป้นและไม่ฆ่ากลับไปมือเปล่าอันนี้คือการมองโลกในแง่ดีของหลวงปู่เนี่ยพลิกสถานการณ์จากร้ายให้เป็นดีได้ถ้าเป็นพวกโยมาคงสู้โจรเผือโดนโจรฆ่าตายก็ได้บางทีห่วงทรัพย์สมบัติ แต่หลวงปู่ที่เนาะท่านไม่หวั่นไหวกระโจเลยคือท่านยิมน้มแย้มแจ่สอยากอยากจะเอาทรัพสมบัติไปก็เอาไปอยากจะฆ่าก็ฆ่าแล้วก็มาบุญข้อที่สามบุญจากทำให้บรรเทาความสงสยัยเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยคนเราเป็นบุรุช น, นจะสงสยัยนูนสงสัยนี่พอดีสงสยัยเรื่องนู้เรื่องนี้พเพิ่นผู้พูดอาจจะไปพูด ตรงที่เราต้องการน่ยก็ทําให้เราเนี่ยหมดความสงสัยได้อันนี้คือบุญบุญจากการฟังธรรมข้อที่สามบุญจากการฟังธรรมข้อที่สี่ทำาวามเห็ถูกต้องคามเหถูกต้องในที่นี้ก็คือเห็นโลกตาความเป็นจริงอย่างคนเราเนี่ยก็มีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดา มีความพัดภาคจากของรักของชอบใจมีกรรมเป็นของตัวใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันเนี้ยเป็นศาสตร์จะทงของชีวิตแต่ถ้าพวกญาติโยมเนี่ยมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องก็จะไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบางทีกล็ลืมแก่ก็มีหรือหลงตัวเองว่าเราเนี่ยจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเห็นเห็นว่าโลกเนี่ยเที่ยงก็มี ช่วงนี้ถ้าเราติดตามข่าวนะก็จะมีข่าวของนักร้องอู่คนหนึ่งชื่อว่าสุรชัยสมบัติเจริญอายุ60ปีแล้วแกไปทำเฟซอฟคือทําหน้าให้เด็กให้หน้าเนี่ยเหลืออายุ30กว่าก็มีกระแสสังคมขึ้นมาบางก็เห็นด้วยบางก็ไม่เห็นด้วยเพราะสุรชัยตอนนี้ก็หน้าตาเด็กขึ้นเขโชว์ลูกไ้ดูแล้วแต่แต่ความแก่ก็ไม่ได้หายลงนะ ความแก่ที่ติดตัวอยู่คือเลี้ยวแรงสายตาประสาทการได้ยินได้ฟังแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยหมอก็รักษาให้ไม่ได้ทําให้หนุ่มไม่ได้เพราะว่าคนแก่คือคนแก่แหละเลีเ้ยวแรงก็เหลือน้อยแล้วคนแก่เสียงจะให้สายเหมือนหนุ่มๆก็ไม่ได้อันนี้เป็นสัีธรรมชีวิตสุรชัยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณปี 2,522 23 24เนี่ย จะดังมากเลยเพราะสุรชัยรูปล่อรูปร่างสูงโปร่งไปเล่นที่ไหนเนี่ยาสาวก็จะตามไปชมตามไปฟังกันบางคนชมตั้งหลายรอบก็ไม่เบื่อชมแล้วมีความสุขเมื่อก่อนเน่ยเพลงฝนตกรถติดแต่ดังมากอัลมาคิดว่าพ่อไม่ออกคงค ง, งรู้จักสุรชัยแต่เด็กๆคงไม่รู้หรอกว่าเด็กเ็เด็กรุ่นนี้ไม่ทันอย่างรู้อั่มารู้ช่วงนี้ ในโลกของโซเชียลในเเนี่ยก็จะมีรูปของดาราฮ่องกงมาลงให้ดูดาราชอบาเดอร์ดาราดังๆอ่ะพระเดี๋ยวนี้ก็แก่กันหมดแล้วเขาจะมีรูปให้เปรียบเทียบไงระหว่างตอนหนุ่มและตอนแก่ให้เราเห็นและโปรงสังเวชถ้าเกิดเราไม่ยอมรับความแก่นะเราก็จะประมาทในชีวิตความแก่เนี่ยสอนธรมรมะเราได้ทมให้เราปล่อยวางทำให้เราไม่ประมาทเพราะคนแก่มีประสบา ก, การณ์มากกว่าคนหนุ่มสาว จะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปอย่างธรรมมาเนี่ยปีนี้ก็อายุย่างห้าสิบแล้วเมื่อตอนที่เราอายุสิบกว่าเราคิดอีกแบบหนึ่งอายุยี่สิบก็คิดอีกแบบหนึ่งอายุสามสิบมุมมองก็เปลี่ยนแปลงอายุสี่สิบก็คิดอีกแบบหนึ่งพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นประสบประการ์ชีวิตมากขึ้นอายุห้าสิบเนี่ยมันก็มองเห็นฝ่าผิดพลาด ข, ของอดีตมากมายเลยที่เราทําไปถ้าเจาะเวลาไปหาอดีตได้เราก็ไม่ทําเราทำเพราะฝาไม่รู้ พอทำไม่รู้ปุ๊บบางเรื่องก็เป็นแผลใจเป็นขยะทางอารมณ์ก็มีเพราะว่าโดยธรรมชาติกิเลสเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษหรอกมันก็ทําตามใจตัวเองอย่างพวกโยมมาวัดมาฟังธรรมเนี่ยเราก็สามารถรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษ ร, รู้จิตเป็นกุศลจิตไม่เป็นกุศลอย่างเราไม่รู้เราก็ทําบาปพอทาบาปไปเนี่ยบาปก็ตามให้ผลเนี่ยเราชดใช้บางคนเนี่ยแต่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตต้องมากมายหรือไปคดโกงคนอื่น ไปพูดโกหกกลายพูดโกหกนะดูเหมือนเผลีฉลาดแต่ถ้าเกิดคนปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเห็นว่ามันมันมีมีกรรมที่ไม่ดีหลายอย่างเลยทำให้ตัวเองเนี่ยขาดความเชื่อถือมีภาพลักษณ์ไม่ดีแล้วก็สร้างปัญหาสังคมด้วยถ้าคนไม่โกหกเนี่ยดูเหมือนเป็นคนซื่อแต่กลับดีกว่าใครเอาเปรียบคนอื่นได้ก็มองว่าฉลาดแต่ถ้าทางธรรมะเนี่ยคนซื่อคนไม่โกงคนตรงเนี่ย ดีกว่าจะไม่มีกรรมไม่มีเวรอย่างถ้าเราไปค้าขายทำอาชีพที่วิฉาชีวะเนี่ยหรือทําอะไรคนหลงเนี่ยอันนี้บ้านปลายก็ยังรับกรรมทําตัวเองเนะไม่มีความสุขแต่ถ้าเราไม่มีกรรมพวกนี้นการปฏิบัติธรรมก็ง่ายทุกฝ่ายเบียดร้อนก็ไม่คม่อยมาหาเราบางคนอายุสั้นพอชอบเบียดเบียนตัวเองเบียดเป็นคนอื่นบางทีฆ่าตัดตัดชีวิตไว้มากนะบางทอาจจะไม่ใช่ชาตินี้ก็ชาติที่แล้วก็ได้หรือชาติก่อนก็ได้ การมาตามให้ผลให้เกิดทําให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆเราะจะสังเกตได้เลยว่าตามนางสือพิมพเนี่ยจะมีคนตายทุกวันวันลงหลายรายเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันรถชนกันบ้างถูกฆาตกรรมบ้างบางคนก็เจ็บป่วยตายก็มีอันนี้คือการมาตัดรอนอย่างเรามาเจริญสติแนวหลวงว่ฒเทียนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามาทําให้มีเบรกอะ ความคิดก็เปรียบเห ม, มือนรถรถถ้ามีเบรกมันอันตรายมันก็วิ่งไปเรื่อยมันคิดอะไรเราก็ทําตามมันแต่ถ้าเกิดเรามีสติหรือบเบรคเนี่ยเราไม่ทําตามมันก็ได้มันสั่งให้เราไปไหนบางทีเราไม่ไปก็ได้บางเรื่องมันเข้าม า, าจิตใจเราไม่ได้ทุกเรื่องมาแล้วก็ไปเลยสังเกตนะคนที่ติดคุกติดตารางเนี่ยเพราะไม่มีสติบางทีไปฆ่าคนอื่นตายหรือไปทําอะไรที่บีบเบรกคนอื่นพอทําไปแล้วก็มาเสียใจภา ย, ยหลัง อันมาไปกับอาจารย์เปีสารเนี่ยไปที่ภูเก็ตเนี่ยคุกภูเก็ตก็ไม่ใหญ่นะแต่นักโทษะ 3, อะสามพันกว่าคนนั่นคุกไปหมดเลยในคุกเนี่ยอากาศก็ร้อนก็คือนรกบนดินนั่นแหละมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยทำผิดมากมายเลยบางคนก็ติดยาเสพติดบางทีก็ค้าขายยาเสพติดหรือวิ่งลาวช่อโกงอะไรพวกเนี้ยพอพวกนี้ก็ไม่เห็นแบบปคุณโทษแต่วัดเนี่ยคนมาน้อยนะวัดเนี่ประตูเปิด แต่คุกเนี่ยประตูปิดนะคุกเนี่ยมาเข้าไปกัจ้าพนักงานเนี่ยจะต้องโดนตรวจยึดมือถือเข้าไปไม่ได้นะมือถือเขาไม่เข้าเข้าไปกล็ลำบากแต่คนก็อยากเข้าไปกันหน้าตาแต่ละคนเศร้าหมองสิ้นหวังมีลังสีของความเศร้าผี่กับพวกโยมนะพวกโยม ม, มาดูว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ค่อยมีใครทุกข์เท่าไหร่อ่ะทุกข์ก็ทุกข์กน้อยมาวัดผ่องใสามาทำบุญทาบุศลเนี่ยยิ่งมาปฏิบัติธรรมด้วยบุญกุศลก็มากขึ้นมากขึ้น อย่างวันนี้เป็นวันที่9ก็เป็นวันครบรอบการลักสังขารของหลวงพ่อประสิท ธ, ธิฐาวโรที่วัดท่ า, าเยปิกหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านก็มีอุบายสอนธรรมที่ไม่เหมือนใครชีวิตของท่านโลดโผนมากสมัยหนุ่มๆนี่ยท่านเคยพลาดคือฆ่าเมียตายแล้วติดคุกสักสิกว่าปีแต่ท่านเนี่ยพิภูกรีให้เป็นโอกาสไปได้ดวงตาเห็นธรรมในคุกอนะไปไปฏิบัติธรรมในคุกพอเห็นธรรมปุ๊บตอนหลังเนี่ยพอพ้นโทษท่านมาบวช มาบวชแล้วก็มาอยู่ที่เกาะสีชังตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นแค่ภูเขาลูกหนึ่งแล้วก็มีถ้ามีองค์แล้วก็มีอะไรนิดน้อยแหละกลายไปอยู่ค่อนข้างลาบากหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านก็มีความพยายามมากบุกเบิกจนเป็นวัดทำอย่างปีกปัจจุบันเนี่ยมีอะไรครบหมดเลยมีโบสถ์หลังใหญ่มีมีมีที่เก็บน้ํามีศาลามีอะไรครบหมดตอนนี้ ถาไปที่ถ้าจะปีกอาราบาก็เห็นข้อความเป็ข้อหนึ่ง <c oughs> เห็นแล้วสะดุดใจ <c oughs> เหมือนกับข้อเขียนของเนี่ยที่วัดเราเนี่ยพระหัวทองเนี่ยอ่านแล้วอารบาก็ชอบใจในป้ายเขาเขียนว่าผู้ด้อยปัญญาย่อมกล่าวโทษคนอื่นว่าไม่ดีผู้มีปัญญามองเป็นทาาเหมือนกันหมดแดล้ก็ฉุกคิดว่าเอ๊ะบาทีเราด้อยปัญญานะเราไปกล่าวโทษคนนูน้คนนี้โทษอินฟ้าอากาศโทษคนนู้นกับไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดี บางทีเราโทษเขาใจแล้วก็ทุกข์แล้วแต่คนมีปัญญาเขามองเป็นธาตทุกคนเป็นธาตุเป็นก็นหมดมีรูปมีนามขันห้าธาตุสี่ดินน้ําลมไฟถ้ามองอย่านี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ความคิดที่จะไปเพ่งทั่วอะไก็หายเกี้ยงเลยเป็นธรรมะขั้นสูงนะหลวงพ่อสิถ้ามีอุบายสอนทำให้พระแม่ชีและเนนบางครั้งเนี่ยพระม่ชีหรือเนรใครทะเลาะ ก, กันเนี่ยหลวงพ่อก็ใแง่คิดว่า เราต้องตายไหมคนที่เราทะเลาะต้องตายไหมถ้าต่างฝ่ายต่างตายแลย้วจะทะเลาะกันไปทำไมมันก็เป็นท่าเหมือนกันหมดมีอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปบิณสบาทก็มีแถวนั้นมีนักเลงที่คอ ย, คอยมาค่มขู่แล้วก็ดา่าท่านอยู่เป็นประจำแหละเพราะนักเลงแถวนั้นกับผู้มีอิทธิพลอยากได้ที่ดินของท่านเจปิกไนงะพยายามจะบีบให้หลวงพ่อเนี่ยอย่าอยู่ที่นั่นเลยเพราะที่ดินมันแพงจตหลวงพ่อก็ไม่ท้อก็อยู่อยู่ปักหลักอะ่ะจนสร้างว่าสําเร็จ ไปพิธาบาทนักเลงมันก็ดา่าแต่หลวงพ่อประสิทธิ์แทนที่จะปล่อยเลยตำเลยท่านกับเดินมานักเลงมาจับแขนแล้วท่านก็ถามว่าเมื่อกี้มึงด่าใครนักเลงมันก็งงนะก็ก็บอกว่าก็ด่ามึงัแหละหลวงพ่อประสิทธิ์ก็บอกอก็ดีก็ดีแล้วที่ด่ามึงแต่มึงอย่ามาด่ากูก็แล้วกันแล้วท่านก็เดินไปนักเลงก็งงคือหลวงพ่อท่านฉลาดไงท่านมีความรู้สึกว่าท่านไม่รับคําด่าไง คื อ, อยอนเนคือเจ้าของกันไปมีครั้งหนึ่งท่านเนี่ยโดนพระนักเลงเนี่ยตียด้วยไม้หน้าสามแต่ท่ายอมแล้วนะพอพระนักเลงถามว่าท่านแน่เหรือหลวงพ่อสิ บ, บอกผมไม่แน่ผมไม่แน่มมแนก็ตีซะหลวงพ่อศรีเนี่ยเลือดไหลาอาบเลยหลวงพ่อท่านก็ไม่โกรธนะท่านก็พิจารณาสังขารเห็นเนี่ยเห็นเลือดแล้วก็ดูแผลเนี่ยเป็นของเปื้อนเน่าแล้วท่านก็บอกก็ดีเหมือนกันเลือดเราจะได้ล้างธานีสงศ์ พิดต่างความเป็เที่ยงไม่มีจิตโกรธคนที่ตีเลยโย ม, มเห็นนั่งนั้นโยมก็มาแยกแล้วก็นํานำหลวงพ่อประสิทธิ์ไปหาหมอเย็บต้องสิบ่เข็มส่วนพระรูปนั้นกระโดดจับสึกตอนหลังเนี่ยสันึกผิดก็มากราบขอมาห ล, หลวงพ่อประสิทธิ์หลวงพ่อท่านก็อโุสิกรรมให้หลวงพ่อท่านมีอุบายสอนธรรมแปลกๆบางทีแม้แต่หมาท่านยังสอนเลยหมาที่วัดท่านมีปีกมีหลายตัวนะมันก็ขี้ไม่เป็นที่เป็นทางแต่หลวงพ่อเนี่ยถ้าจะไม่ ท, ทําโทษหมาตอนมันไม่ขี้นะ ไปดักเอาตอนที่หมากำลังขี่อ่ะแล้วใช้หนังกระติ๊งยิงยิงโดนตัวหมาได้แหละหมาก็เลยรู้ว่าตัวเองทําผิดนะเพราะว่าขี่ปุ๊บโดนยิงปับ๊บแต่แต่ถ้าเกิดไม่ขี่ไม่โดนยิงตอนหลังหมาก็เลยเลิกขี่ไปขี่แอบๆหลบไปที่เป็นทางแต่คนธรรมดาเนี่ยก็ไปตีหมาแล้วหมา ม, มันก็ไม่รู้ว่าผิดอะไรก็เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดตอนหลังหลวงพ่อเสียลับสังขารไปแล้วเนี่ยคือว่าก็เสื่อมไปอะลูกศิษย์ก็ไปเจ้าวาดพระ ลูกวัดก็แยกย้ายกับตั้งวัดเองใครมีฝาสามารถก็ไปตั้งวัดส่วนใครที่ทําอะไรไม่เป็นก็อยู่วัดต่อไปก็กระจายไปอยู่ที่ต่างๆบางส่วนก็มาสุกโตบางส่วนก็อยู่แถวแก้งคอไม่ขี่โจงว่าอยู่ภูเขาทองพอครูบาจารยสังขารก็เป็นแบบที่พวกโยมเห็นวัดภูขอทองเนี่ยอาจารย์ตรงหมิงท่านก็มีบารมีก็พัฒนาให้พ่อแม่ออกมปฏิบัติธรรมทาให้วัดภูเขาทองไม่เสื่อม แต่ถ้าเกิดเจ้าวาดไม่มีปรารมีนะโยมก็ไม่มาหรอกอันนี้ก็เป็นที่เจ้าวาดเหมือนกันแล้วมาบุญจากการฟังธรรมข้อที่5จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสเพราะโดยธรรมชาติเราจะโดนนิวรน์ครอบงำอยู่นิวรณ์หอย่างก็คือกา ร, รมาฉันทะความอยากได้นู่นอยากได้นี่พอใจสิ่งโุ้นสิ่งนี้แล้วก็พยาบาทโกรธเกลียดชงังต่างๆเนี่ยแล้วก็ความขี้เกียจขี้ค้านหดหูเสื่อมซึม ฟุ้งซ่านลังเลสงสัยเนี่ยดีบอล5้าตัวมันจะครอบงาใจเราอยู่ถ้ายมตั้งใจฟังธรรมเนี่ย ป, ปุ๊บเนี่ยดีบอลก็ไม่เข้ามาดีบอลจะย้อมใหเราได้ตอนเราเผลอแหละอย่างเราปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรายกมือไปเนี่ยไม่ใหม่นะถ้ายกถูกยกเป็นเนี่ยมันจะง่วงหนัหนกมากเลยง่วงแบบไม่เคยมีสาเหตุมาก่อนว่บอกติไม่ง่วงนะถ้าคนพอปฏิบัติปุ๊บเนี่ยยกมือไปยกมือมาเดินจงกรมไปเดินจงกรมมาเนี่ยความคิดมันดุกกวนมันก็ทําให้ง่วง แต่ถ้าเกิดพวกญาติญาติโย่พ่อแม่ออกเนี่ยโทนเอาหน่อยไม่กลัวฟังง่วงยกมือหรือเดินจะ ก, กลมสู้ไปนะจิตมันจะสว่างขึ้นมาทันทีเลยพอจิตตื่นปุ๊บเนี่ยการปฏิบัติทาก็สดุกแล้วยิ่งทํายิ่งจเจริญยิ่งมีความสุขแต่ช่วงที่มีนิวรณ์ครอบงำเนี่ยทำไปก็เซ็งไปอันนี้ลองดูได้ถ้าปฏิบัติถูกทางนะเราก็อย่าทิ้งตอน ต, ตั้งแต่ตื่นเลยล้างหน้าแปรงฟันเห้องน้ำํำลาเผือไปก็กลับมารู้สึกตัว เผือไปก็รู้สึกตัวการไปิดธรรมของหลวงพ่อเทียงง่ายไม่ต้องมีพิธีตองไม่ต้องมีรูปแบบทำํำบ่อยๆมันก็ทาให้เรารู้ว่าเผือป่อยขึ้นอานน่ามสติแต่ถ้าเราไม่มีสติแต่เราเผือทั้งวันแหละเราไม่รู้่เราคิดเรื่องอะไรบ้างกลางวันตื่นมาเราก็คิดแล้วแล้วนอนก็ไปฝันต่ออันนี้ ค, คนที่ไม่ฝึกสตินะแต่ถ้าพวกญาติโยมพ่อแม่ออกฝึกสติเนี่ยจิตเราก็จะตื่นทําให้เห็นโรกตาฟาเป็นจริงอันนี้คือบุญจากการฟังธรรม อีกหลายวันน่ยโยมก็ต้องฟังธรรมจากอาจารย์องค์อื่นแต่ถ้าเราฟังไม่ไม่เป็นเนี่ยเราก็จะเซ็งเราก็จะเบื่อจะง่วงเพราะแต่ละแต่ละอาจารย์เนี่ยจะพูดไม่เหมือนกันบางคนก็พูดแต่เรื่องรู้สึกตัวอย่างเดียวแต่ถ้าโยมวางใจถูกต้องอาจารย์จะพูด อ, อะไรก็เราก็เราก็รู้สึกตัวไปเราก็ไม่เบื่อไม่เซ็งการ ARS ฟังธรรมมันเกิดประโยชน์เพราะอยอีกตั้งหลายวันโยมเจอแน่นอนเพราะว่าอาจาร ย, ย <S <s า์ที่อยู่สุกโตเนี่ยเพราะทุกคนเขาก็จะพูดเรื่องรู้สึกตัวนั้นแหละพูดเรื่องสติ พูดยังไงพวกโยมก็ฟังได้หมดแลหละถ้าเราเข้าใจเรื่องอันนี้สงการฟังธรรมอนาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาก็ท่องก่อนโยมฟังก่อนหนึ่งก่อของหลวงพ่อพุทธทาสก่อนเรื่องความแก่ความเอยความแก่เป็นเพื่อนแท้ความตายไม่ไห น, หน่ายหนีเมื่อความแก่ล่วงการมานานปีก็มอบเวรคือหน้าที่ให้ความตายไม่ยกเว้นใครๆไม่ลําเอียงมใีใครได้อีกเลี่ยงหรือเถียงได้ เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหญิงชายรีบทําดีก่อนตายให้มากเอ่ยขอความสุขความเจริญธรรมจงมีแก่ญาติธรรมทุกท่าน